ประเด็นนี้นะคะดูภาพคนความมั่งมีแล้วดูภาพของความยาจกเข็นใจแล้วเรามาดูภาพนี้กันค่ะนะค ะ, นะคะเราคิดยังไงเราจะคิดยังไงให้เดินอยู่บนทางบุญเราจะคิดยังไงในเวลาที่เราได้ข่าวว่ามีลลานคนใหม่เกิดขึ้นเราจะคิดยังไงในขณะที่เห็นสายตาของเด็กน้อย เราจะน้อมใจอย่างไรให้รักษาจิตอยู่ในศีลในทานหรือในภาวนาและอย่าลืมว่าการเกิดสิ่งที่ท่านเห็นคือสิ่งที่ท่านเคยเป็นเมื่อมีความน่ารักมีความงดงามในรู ป, ปารมที่เห็นก็อย่าลืมว่าก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยค่ะขอถามใน2ประเด็นคู่กันเลยค่ะในเวลาที่เราเห็นภาพการเกิด นะคะของเด็กน้อยที่น่ารักแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างในแง่มุมนี้เนี่ยเราจ ะ, จะเจริญทานศีลภาวนาอย่างไรเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะเวลาเราเห็นเด็กเกิดเนาะคนส่วนใหญ่ก็วิปลิตหมดแล้วนะวิปริสมนัสิการก็คือเวลาเห็นคนเกิดส่วนใหญ่ก็จะดีใจเพราะเราสับสนนะ เราไม่เห็นการเกิดเป็นภัยนั่นเองอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดเมื่อเช้านี้ความแก่ที่เราได้ความเจ็บที่เราได้ความตายที่เราได้ล้วนแต่มาจากความเกิดทั้งนั้นถ้าเราไม่เห็นภัยของการเกิดเราก็ยังยินดีในการเกิดทุกครั้งที่มีการเกิดเราก็จะดีใจครั้งที่เวียนรอบมาถึงวันเกิดของเราเราก็จะจัดงาน เพื่อที่ให้อาหารโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่พอถึงวันเกิดปุ๊บเราก็จัดงานสั่งเวทใจให้เห็นภัยของการเกิดอย่างนี้ถือว่าไม่วิปลิตแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เป็นไงโยมเราก็จัดงานจัดงานเพื่อที่จะเอาอฉลองกันมีเหล้าบ้างมีอะไรบ้างมาเลี้ยงกัน แล้วก็เปิดเพลงเปิดคาราโอเกะก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็ยังยินดีในการเกิดทั้งนั้นแต่ผู้ศึกษาธรรมะคงไม่จัดแล้วคงไม่จัดอย่างนี้แล้วนะเราเห็นภัยแล้วยอยูว่าการเกิดเป็นภยัยเพราะการเกิดจะนำมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพาความโศกความล่ำไารลํำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค่นใจซึ่งเรียนมาหมดแล้วเรียนมาหมดแล้วออกจากนี้ไปก็ลืมหมดแล้วก็ต้องเอามาใช้ที่เรียนมาก็เอามาใช้เอามาใช้จริงๆเลยโยมเอามาหมุนจริงๆเอามาวิจัย <c oughs> จริงๆให้มันเกิดจริงๆอะจิตที่เรียนมาทุกดวงให้มันเกิดจริง ๆ, ๆ อันไหนเก็บไว้นะอันไหนที่ควรไม่ควรให้มันเกิดต้องเอามาใช้เลยนะอย่างการเกิดควรเอาเก็บไว้ไหมไม่ควรแล้วเพราะการเกิดเป็นต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายถ้าเห็นคนเกิดปุ๊บนะเขาก็บอกเออบอกเราว่าเดี๋ยวอีกหน่อยท่านก็ต้องมาเกิดอย่างนี้แหละ ก็มาหลงหลงลืมๆมอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ดังนั้นอยากเสียเวลาอย่างนี้อีกไหมแล้วที่สำคัญพอเกิดมาแล้วพอมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทอาอกุศลกรรมมากมายมหาศาลเลยกว่าจะมีวันนี้ไเรา ล, ลองคิดดูโยมลองย้อนกลับไป กว่าจะได้มานั่งฟังทำในวันนี้อกุศลกรรมมากมายที่เราทําพังพลาดมาอยากจะเริ่มต้นใหม่อย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ต้องเห็นภัยตั้งแต่วันนี้แล้วก็รีบนะให้ปัญญาใค่ควรให้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้นะให้ทานเห็นเหตุแห่งเห็นผลในแต่ละอย่างนะให้ข้าวเห็นผลเป็นยังไงนะ เพื่อได้มาถึงอายุวันณะสุขาบาละปฏิพานให้น้ําเห็นผลเป็นยังไงเพื่อให้กําจัดความกระหายคือกิเลสให้ผ้าเพื่อให้เป็นเครื่องประดับคือฮิริและโอตะปะเพราะฮิริโอตะปะเป็นเหตุของศีลความไม่เดือดร้อนใจภาาัสสติความสุขสมาธิเป็นต้นให้ดอกไม้เพื่ออะไรเพื่อให้ เกิดความงดงามในการนึกถึงพุทธคุณดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยข้างทางน้อมบูชาพระเจ้าแล้วที่สําคัญเราได้นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมไงโยมมองเห็นดินเห็นน้ําเห็นลมเห็นไฟเรานึกถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ สมมุติว่าเห็นดินดินมีคนทิ้งของไม่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างเลือดน้ำหนองน้ำลายบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดละอาหรือไม่เกียดชังเลยแม้ฉันใดใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่อึดอัดละอาไม่เกียดชัง อารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่มากระทบนี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นมองเห็นดินเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามองเห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาอพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาของโลกของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าส่องแสงสว่างคือพระธรรมให้กับสัตว์โลก แสงพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาคือแสงพระธรรมสัตว์โลกต่างๆคือพระอริยสงฆ์ที่ได้รับของพระธรรมนั้นหรือพวกเรามองเห็นพระอาทิตย์มองเห็นพระอาทิตย์ก็น้อมบูชาพระเจ้ามองเห็นน้ำก็บูชาพระเจ้ามองเห็นดินก็บูชาพระเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายเนี่ยเกิดมาด้วยมหากุศลนเขาทาบุญมาใช่มโยมใครเราเป็นคนบอกเรื่องบุญ ก็พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสรู้เลยโยมไม่มีโอกาสรู้ว่าไอ้จิตดวงนี้คือมหากุศนจิตดวงนี้คืออกุศนมาเรียนโสมนาาัสสากตังนั่นแหละก็คือพระพุทธเจ้าโต๊เก้าอี้ต่างๆคือพระพุทธเจ้าอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องดินไหมสอนเรื่องดินสอนเรื่องสีไหมอ่าถ้ามองเป็น ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดดังนั้นเราไม่อยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นควรจะให้อกุศลเกิดไหมโยมเพราะพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเราจะทำบาปต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำไมแล้วจะกลัวไหมโยมไปไหนจะกลัวไหมไม่กลัวแล้วพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเลยไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยแผ่นดินไหวสักสิบรอบเราจะกลัวมโยม ไม่เห็นต้องกลัวเลยเอาไหนบอกอยากจะเป็นคนอมาตะไงเราเป็นคนอมาตะานี่โยมให้เพศสัตว์เป็นทานจะได้ความไม่แก่และไม่ตายก็คืออมาตะได้พนิพานได้การไม่เกิดอีกให้เพศสัตว์ก็คิดถึงถึงผลให้สีเป็นทาน ได้ระยมงได้แสงได้ฉพันรังสีถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ผ่องใสให้เสียงเป็นทานได้สุรเสียงอย่างพมให้รถเป็นทานสำเร็จความเป็นผู้เป็นที่รักของชาวโลกทั้งหลายเลย ถ้าให้เครื่องประดับละ่ะสำเร็จอายุอนุพยัญชนะแปดสิบนี่นนะให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นทานเพื่อให้สำเร็จมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการดังนั้นมีทรัพย์สินเงินทองที่ฝากไว้ธนาคารเห็นหเราก็ไม่กล้าใช้ถึงเดือนก็ไปดูอ้าวยังอยู่นี่แหละโยมทานข้อที่สี่บกพ้่อง พอให้ไม่สละขาดพอเวลาเรามีของแล้วก็เอามานั่งดูนั่งชมสะสมไว้นะไม่กล้าที่จะทำประโยชน์ต่อไปนะถ้าเราไม่เห็นภยัยเราก็จะไม่กล้าทำนั่งๆต้องเห็นภัยก่อนภัยของการเกิดถ้าไม่เห็นภัยของการเกิดก็ไม่กล้าสละเหมือนกันเพราะไม่เชื่อกำรรและผลของกำนั่นเอง และเพราะอะไรถึงให้วางใจยังไงในการให้ตั้งใจเจตนาอยาก่อนให้ขณะให้หลังให้ถ้าไม่เป็นตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นชาวพุทธโ ด, โดดเลยทานกุศลไปมันโดดรัดขั้นตอนไปนะก็กลับมาปรับปรุงวิธีการสละกันให้เป็นนะโดยเฉพาะรู้จักที่จะน้อมสละอะไรเป็นเพราะเป้าหมายเราต้องการทำลายโลภะจากการติดข้องในปัจจัยธรรมในในวัตถุทั้งหลาย ต้องการทำลายโทสะที่ไปติดข้องกับผู้รับหรือบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็ต้องการที่จะทำลายโมหะก็คือทำปัญญาให้กรรมสกตาสัมมาทิฐิให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมไม่ชัดใช่ไหมเป้าหมายของการเจริญที่เราศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายต้องเอามาเจริญได้ไม่ใช่ว่าเรียนบ็เสร็จหรือฟังคําสอนบ็เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วถือว่ากิจกรรมการฟังธรรมมันจบไปแล้วไม่ใช่ เมื่อมาพูดบ่อยๆเรื่องการที่ว่าบำเพ็ญปัญญาบรารมีให้ถือเหมือนพระถือการบินทบาทเป็นวัดพระถือการบิณบาทเป็นวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเออมานั่งเขามีการฟังที่ทําที่ไหน ก, ไก็ไปก็ไปก็ไปไม่ใช่หมายความบอกว่าไปนั้นทำไมต้องไปเราจะไปเพื่อจะได้ปัญญาฉะนั้นการแสวงหาปัญญาที่ถูกต้องตามคำสอนของพระาศาสดา ไกลแค่ไหนจากไปเห็นไหมพระเนี่ยเวลาจะไปบิณธบาตเนี่ยท่านไกลแสนไกลก็ต้องเดินนะถ้าเฉพาะท่านหิวยอมลองคิดดูที่ว่าตื่นขึ้นมาไม่มีอาหารเนี่ยเพราะพระเก็บของได้ที่ไหนวันหนึ่งก็ต้องสละออกหมดสละออกหมดใช่ไหมพระโดยหลักการจริงๆเนี่ ย, ยหลักการปฏิบัติของพระนะพระจะไปสะสมของไม่ได้ก็บาดใบเดียวอะ่ะไปบินธบาต ก็อยู่วันต่อวันน่ะแล้วหมดแล้วมันหิวไหมหิวก็ต้องไป น, นี้ฉันได้ว่าถ้างั้นร่างกายมันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องส่องนำทางเราจะน่ากลัวน่ากลัวมากฉะนั้นเราจะต้องรีบเก็บปัญญาที่พระศ า, าสดาให้เสีย สำหรับผู้ที่จะเดินไปในสังสารวัฏจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่หลงทางฉะนั้นกลุ่มที่จะเดินไปในสังสารวัฏซึ่งยังไม่รู้ว่าเราจะไปจบนาะที่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราขืนสมาทานปัญญาผิดพลาดชีวิตเราวิบัติเองฉะนั้นอย่าจเจริญปัญญาด้วยทิฏฐิที่ผิดพลาดถ้าพระศาสดาบอกอย่างไรว่าอย่างไรน้อมตามท่าน อย่าไปเอาความเข้าใจของตนเองเป็นตัวตั้งนะแต่เอาคำสอนของพระาศาสดานั่นแหละเป็นตัวตั้งแล้วก็ปรับความเห็นของตนเองให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ปรับคำสอนของพระเจ้าให้สอดคล้องกับความเห็นของตนเองนี่อะไรบ้าบบใช่ัหมต้องต้องต้องให้ชัดเจนตรงนั้นวันใดวันหนึ่งสมมติท่านมหาอนาจบอกโอ้โหเนี่ยท่านจบป ร, ริญญาธรมก้าวประโยคใช่ห อโอ้มาพูดคานี้ต้องถูกแน่นอนนะไม่ไม่ใช่เสมอไปเราต้องตรวจสอบว่ามันใช่ไหมทำไมเราศึกษาพระธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วไปเอาเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งไม่ได้หรอกแต่เอาคำสอนของพระศาสดาเรามีพระศาสดามีคาสอนเหมือนสักครู่ท่านมหาอํนาจบอกว่านี่ไงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะนี่แปลว่าอะไรโดยอัฏฐะพระบรมศาสดามาในฐานะแห่งพระธรรม บางท่านก็ไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงเพราะพระธรรมไม่ปรากฏในใจเพราะพระศาสดาอยู่ในฐานะของพระธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมเนะี่ยผู้นั้นเห็นเราไงนั่นแหละคำนั้นแหละทีนี้ถ้าเรามองเห็นแก้วด้วยความเป็นแก้วแล้วจะไปเห็นพระศาสดาได้อย่างไรแต่ถ้ามองแก้วแล้วเห็นด้วยความเป็นพระธรรมเมื่อไหร่เราจะเห็นพระศาสดาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้ใช่ม นั้นบางคราวพระาศาสดาก็อยู่กับเราบางคราวก็ไม่อยู่เพราะพระธรรมไม่ปรากฏในกระแสชวนะของเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ทำสิก็เริ่มเนินให้ต่อเนื่องที่สุดจริงๆก็จะจะเข้าถึงได้แล้วก็จะเห็นได้สักครู่เมื่อกี้เนี่ยที่ถามเอามาสรุปประเด็นนิดหนึง่งที่ท่านท่านมาท่านมาอำนาจตอไปก็เรื่องเด็ก2ประเภทเด็กพิกลพิการกับเด็กที่ ที่เด็กสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถ้าเราเห็นความวิกฤตของกรรมเนี่ยเราจะนึกสะเทือนสะดุ้งสะเทือนคำสอนนันใช้คำว่าสังเวคญาณนะคำว่าสังเวชเนี่ยนะโดยสภาพธรรมของเขาก็ได้แก่ปัญญากับวิริยะวิริยะนั่นแหละเป็นตัวที่เกิดความความเพียนและสะดุ้งสะเทือนเห็นภยัย มันเห็นภัยของการเกิดเนี่ยตายเสียในระหว่างในท้องก็มากกว่าการที่หลุดออกมาจากท้องหลุดมาจากท้องแม่หรือจากท้องของใครก็แล้วแต่นี่นะจะท้องของอบรรยัยวสัตว์หรือท้องของมนุษย์ของเดรฉ า, าหรือของปลาของไก่ก็แล้วแต่มันน่าสะพึงกลัวหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยย่าด้วยความปฏิสนธิเหมือนกันถามบอกว่า ประชาศาสตร์เนี่ยถูกประรถูกคำสั่งประหารชีวิตตั้งแต่เกิดพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงโทษโดยการประหารชีวิตแล้วจึงอยู่ในฐานะเป็นนักโทษท่านจีงอุปมาในชั้นของคำสอนบอกว่าเหมือนไก่อยู่ในสุ่มที่เขาเอาไปสู่ที่ฆ่าไก่ในสุ่มนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาไปฆ่าไม่รู้ตัวเลย สัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไก่ตัวนั้นตอนนี้เราท่านทั้งหลายคือนักโทษพระาศาสดาก็บอกไว้ว่าให้เดินออกจากช่องทางนี้จะได้ไม่ถูกฆ่าพระาศาสดาก็ชี้ทางบอกอย่าเดินนะทางเนี้ถ้าเดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดเกิดกระแก่แก่กระเจ็บเจ็บกระตายน่ยมันอัดเดียวกันนะอัถฐเดียวกันแหละแต่พยัญชนะนะต่างแต่จริงๆความหมายเดียวกัน อัตถาคือความหมายอันเดียวกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเองต่างฉะนั้นเห็นเกิดเห็นแก่ตายไม่ต่างกันเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเนี่ยอันเดียวกันแล้วเราจะต่างอะไรกับการตายเพราะเราคือสัตว์ที่ถูกคำสั่งประหารชีวิตแล้วแล้วาอาการที่ประหารก็ต่างๆกันออกไปนะแล้วแต่กรรมแล้วแต่การกระทำของสัตว์นั้นบางพวกก็ถูกทิมถูกแทงตาย บางพวก็ตายด้วยความหวาดเสียวบางพวกก็ตายแบบอาจจะนอนดูเหมือนดีนิดนึงแต่สรุปก็ตายบางคนก็ถูกฉีดยายให้ตายใช่ไหมบางคนก็ใส่ท่อกําลังหายใจเนี่ยก่อนมาเนี่ยมาก็ต้องขึ้นไปดูคนป่วยเหลียวไปรอบๆเนี่ยล้วนแต่แบบประเภทที่เรียกให้กลับบ้านไม่กลับทั้งนั้นเลยถ้าถามว่า ทุกคนก็หวังญาติทุกคนก็หวังว่ารอดรอดนยแต่ชีวิตมันเป็นแบบนี้นั้นแต่เรารู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้เสียเนี่ยก็สิ่งที่ควรระดมได้แต่นี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเราจะระดมความเพียรในการที่จะเคลื่อนพลของทานศีลภาวนาอย่างนีน้ตอนนี้กองทัพของทานศีลภาวนามันต้องเคลื่อนแล้วถ้าไม่เคลื่อนออกมาบทขยี้โลพาโทสามโมหะ ชีวิตก็ลำบากแล้วฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าบาปอกษษษษษุศลธรรมบาปอกุศลกรรมมันลา ม, มกเนี่ยถามวอยมเราเห็นความวิจิตอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกรรมมันวิจิตมากดูสิกรรมมันตกแต่งสรีระแต่งรู ป, ปรขันเนี่ยมันแต่งวิจิตมากๆเลยมันแต่งจนสามารถมองเห็นว่า ระหว่างอบายสัตว์กับมนุษย์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเงี้ยนี่ดูสิเนี่ยนี้ถ้าเทียบกับอบายสัตว์นะยอมนะท่านบอกว่าดีกว่าอบายสัตว์หลายล้านล้านเท่าหลายล้านล้านล้านเท่านะอบายสัตว์นั้นน่าเกลียดน่ากลัวกว่า น, นี้เยอะอันนี้ถ้าโดยสำนวนเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมาบอกว่าอย่าพึ่งตายนะ หายใจไว้เพราะถ้าตายอากุศลกรรมให้ผลเนี่ยจะทรมานกว่านี้อีกเยอะนี่ไงมันความเจ็บปวดเหมือนลุงกับหลานใช่ไหมหลานไปรักของพอลักไปเสร็จก็มาซ่อนไว้บ้านลุงต่อมาทางการเข้ามาก็จับได้ทั้งลุงและหลานก็เอาเอาลุงเนี่ยไปประหารชีวิตเอาไปประหารชีวิต นึกว่าเป็นคนสั่งแต่ลุงเนี่เคยทำกรรมดีไว้บ้างบางส่วนแต่ว่าทำกรรมชั่วไว้ก็มีเคยลักผ้าเคยลักผ้าคนซ่อนเล่นแค่นั้นน่นะกรรมนั้นทำให้เกิดเป็นเปรตไม่มีเสื้อผ้าแต่เคยช่วยเหลือคนเนี่เคยเห็นน้ำท้องร่องบางต่างเอาเอ า, เอาสิ่งต่างๆไปรองเลยกลายมีม้าขาวขี่นี่ น, นะแต่ก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะทรมานข่าปลาไม่มีกินเนี่ยนะ นึกถึงหลานควบม้ามาเนรมิตให้หลานเห็น en, หลานถูกจับได้แต่หลานบอกว่าคนคนนี้ต้องทรมานทางการก็ทรมานโดยการเอาเสียบเปล็กเข้าไว้เอาไปเสียบเสียบเข้าไว้ก็ร้องโอ้อยากตายอยากตายงั้นเลยนะลุงก็เห็นอนาคตของหลานว่าถ้าตายลงนรกทุกข์กว่าตัวเองอีกก็มาบอกบอกว่าหลานหายใจไว้อย่าเพิ่งตายนะเพติข้างนามังหนักกว่านี้อีกเยอะก็ในยะเดียวกัน อย่าตายไงนี่ไงกรรมเนี่ยเวลาทำมาแล้วเนี่ยขู่ที่เจ็บปวดเนี่ยคือตัวเองคือตนเองมันมันเจ็บปวดมันให้ความเจ็บปวดให้ความท ร, รมานถ้านถ้าเรามองมองในรักอย่างนี้เรานิกว่าเขาทารมานสุดใช่ไหมแต่ยังมีสัตว์อีกมากมายอีกหลายล้านล้านประเภทที่ทรมานกว่า น, นี้อีกเยอะ <S <S นี่คือทุกข์สัตว์ยอมไมนี่ไงคือทุกข์สัตว์ สังสารวัฏไม่ต่างจากเราเลยเนี่ยเพียงตอนนี้เราได้มาหายใจหน่อยโล่งนิดนึงแค่นั้นเองกรรมที่เราเคยทาไวในสังสารวัฏที่หนักกว่าเขาก็มีถ้ากรรมเหล่านั้นมันตามมาเบียดเบียนแล้วเผาทันแล้วให้ผลทันเราจะหนักกว่าสภาพเช่นนี้สิ่งที่เคยเห็นสิ่งที่ได้เห็นคือเคยเป็นและจะต้องเป็นถ้าไม่พ้นจากวัฏะถ้ากรรมนั้นตามทันโอ้โหเป็นเรื่องที่ กรรมเนี่ยวิจิตมากถ้าเรารู้จักกรรมเราจะไม่หลายๆคนเมื่อศึกษากรรมเข้าใจกรรมศึกษาบุญเข้าใจบุญนี่นะศึกษาเรื่องกุศลกรรมกับกุศลกรรมชัดนีไม่มีใครสักคนเลยที่จะนิ่งนอนใจแต่ละบุคคลเท่าที่มาเรารู้จักนี่นะระดมความเพียรหมดเลยยกพลคือทานศีลภาวนาคือศีลสมาธิปัญญาหรือแยกไปเป็นทานบรารมีศีลเนคขมารปัญญาวิรยิยขันติสัจจะอธิฐานามเมตตา และเข่าเบิขามีแต่ระดับที่จะเดินกันเต็มรูปสูบเท่านั้นเลยเท่าที่มารู้จักนี่นะเหตุที่ไม่เหตุที่ยังรีรีรอๆเนี่ยโดยมากนั่งอ่านแล้วอ่านเบเสร็จก็นึกว่าไม่มีอะไรเรียนเบีเสร็จก็นึกว่าไม่มีอะไรอย่าลืมยอมนึกแค่นี้นะว่าบุญทุกขณะทุกชาวนะมีโอกาสให้ผลหมดบาปทุกชวนะก็มีโอกาสให้ผลหมดเอาสิ แล้วก็ลองมาคิดดูว่านั่นนะเราจะได้ศรัทธาในพระศาสนาสัทีบุญจะเกิดได้ไม่มากหรอเพราะโดยสํานวนก็คือว่าบุญเกิดหนึ่งส่วนบาปกเกิดพันส่วนบุญเกิดหนึ่งส่วนบาปก็เกิดพันส่วนกระแสชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่อย่างประมาทมัวเมาก็เป็นแบบนี้ถ้าสังเกตจิตตนเองเป็นแล้วจะรู้สําหรับคนที่จเจริญได้ดีแล้วนะแล้วจะเข้าใจและจะเข้าใจชัด ถ้ารู้ลักษณะของจิตว่าลักษณะของกุศลเป็นอย่างนี้นะกุศลให้ผลที่ไม่ไม่ให้ผลที่ไม่มีให้ผลไม่มีโทษใช่หให้ผลเป็นความสุขความดีงามเนี่ยลักษณะของกุศลคือให้ผลที่ไม่เป็นทุกข์ลักษณะของอกุศลให้ผลที่เป็นทุกข์ให้ผลที่เป็นความเจ็บปวดใช่ไหมคือลักษณะที่มีโทษคือกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษคือกุศลลักษณะที่ที่ไม่มีโทษคือกุศลถ้าลักษณะที่มีโทษคืออกุศล บาปนี่เป็นลักหณะที่มีโทษแต่ถ้ากุศลเป็นลักหณะที่ไม่ที่ ท, ที่ที่ไม่มีโทษเราแยกนี่นะถ้ากิจของกุศลเขาจะทําลายบาปแต่ถ้ากิจของบาปกิจของอกุศลก็จะทําลายบุญเห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยผลปรากฏอาการปรากฏใจจะสะอาดแต่ถ้าบาปเกิดใจจะสปกปรกใจจะเศร้าหมองเหตุใกล้ของบุญคือฉลาดความเป็นผู้พิจารณาด้วยปัญญา แตเหตุใกล้ของบาปคือการพิจารณาขาดปัญญาการพิจารณาโดยไม่แยกขายการพิจารณาอะไรแบบห ย, ยาบหยบนั้นการใกล้ควรอะไรแบบหยาบๆบเนี่ยบาปเกิดบ่อยมากเห็นไหมมันตรงกันข้ามกันเลยนะบาปกระ บ, บุญเนี่ยมันทำลายกันอยู่มันต่อสู้กันอยู่แล้ววันหนึ่งเราให้ใครครองใจเรามากที่สุดระหว่างบุญกับบาปนั้นผลต่างๆเหล่า น, น, นี้เราจะเห็นว่าอันนี้คือผลผลมันมาจากเขต ถ้าปัจจุบันเหตุผิดพลาดจะหนักกว่านี้จะหนักกว่านี้อีกนี้ถามว่าเราได้อะไรได้ความสะดุ้งสะเทือนภัยภัยตอนนั้นก็คือว่าหนึ่งวิริยะเนี่ยคือความเพียนเนี่ยสะ ด, ดุ้งสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยการเกิดภัยใหญ่คือการเกิดภัยใหญ่คือความแก่ภัยใหญ่คือความเจ็บภัยใหญ่คือความตาย ภัยใหญ่คือวัตมูลในอดีตที่ผ่านมากรรมทําเรียบร้อยแล้วทั้งบุญและบาปถ้ากุศลตะในอดีตตามให้ผลก็ให้ผลเป็นสุขแต่ถ้าบาปตามไม่ทันก็เจ็บปวดแล้วกาลังทําในปัจจุบันนี่กระนับไม่ท้วนเลยแล้วทาร้ายตัวเองนะถ้าทําบาปเบียดเบียนตัวเองประทุษร้ายตัวเองแ ท, แท้เลยแต่ถ้าทําบุญเจริญกุศลก็แปลว่าส่งเสริมตนเองใช่ไหมส่งเสริมตนเองกัแต่ถ้าทําบุญเพื่อไปในวัตตา ก็มุนในวะะัฏะแต่ทําบุญเพื่อปรารถนาออกจากวะตะแล้วตั้งอัธยาศัยเดินให้เขาเร็วเสียเนี่ยที่สุดก็จะเป็นปัจจัยการออกออกจากวะตะขนาดเร็วยังแค่ไม่ทันอายุบานนี้นะเอาแค่ว่าเร็วนี่นะเร็วไปผู้ศึกษารยังถือว่าช้าเนี่ยเหมือนท่านมา้านาศบอกว่ามันช้าแต่ก่อนท่านไม่คิดว่าท่านช้าเนื่เพราะท่านบอกว่าท่านอายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอมาเริ่มดูมุมคําสอนเขาท่านมาบอกอีกทีท่านบอกว่าช้าจริงๆ ท่านต้องเล่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงถ้าเข้าใจคาสอนแล้วจะรู้ตัวว่าตนเองช้าไปแต่ตอนนี้พอมารู้แล้วดีกว่าไม่รู้ไมโยมถ้าย้อนถอยหลังไปไม่รู้ดีกว่าไหมรู้กับไม่รู้อันไหนเดียวกันรู้แล้วกลับไปบ้านนอนเฉยเหรือเล่งความเพียรเจ้าค่ะ ก็ขอให้พวกเราเป็นอุทาหรณ์ในการเล่งความเพียร น, นะคะอยากจะให้พระอาจารย์ได้พิจารณาภาพเหล่านี้นะคะเตือนสติอะไรเราได้บ้าง ปากพระคุณเจ้าประมวลภาพนี้แล้วเตือนสติเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประพฤติ ธ, ธรำรด้วยเจ้าค่ะ ต, ต, ตรงนี้ถ้าเรามองมองอย่างนี้นะว่าเมื่อกี้ามามองอย่างว่าที่จริงวัตถุทุกที่จะเป็นไปในอนาคตนะืกระแสของขันธาตุญาณนะหรือกระแสของชีวิตที่มันจะหมุนไปในอนาคตมันไม่ใช่หมุนธรรมดามันเป็นไปการทําดีได้ทําชั่วของแต่ละบุคคลแล้วแต่เราจะไปเจอใครไปเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตอนนี้ที่บุคคลเหล่านี้กําลังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกขในการสแสวงหาทรัพย์สแสวงหาอาหารเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่รูปแบบการสแสวงหามันต่างกันแค่นั้นอยู่แต่จริงๆคือการทุกในการสแสวงหานี่คือทุก์ในการสแสวงหาทุกเกี่ยวกับวัตถมูลนอดีตส่งผลเขาแล้วและตอนนี้เขากําลังทุกในการสแสวงหาแต่ในขนาดสแสวงหาเขาก็สแสวงหาด้วยชาวนะกูความคิดที่เป็นไปกับบุญและบาป แต่ถ้าถามว่าเมื่อเขาไม่รู้ว่าจิตแบบนี้เป็นบุญจิตแบบนี้เป็นบาปเมื่อเขาแยกไม่ได้บาปเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าบาปบุญเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าบุญแปลว่าโมหะกล้าไหมโมหะกล้ามากๆเลยเมื่อโมหะปกปิดอย่างนี้ยอมลองคิดที่ชีวิตเขาควรเป็นอย่างไรเราช่วยอาหารก็ได้แค่อาหารในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะยกชวนะให้เขาเป็นกุศลได้จริงๆให้เขารู้จักกรรมมัสกาสมาธิฐิ ให้ปฏทีบคือปัญญาให้เกิดเข้าได้เลยบางคราวก็เหลือแก่การที่เราจะช่วยเหลือจริงๆพระศ า, าสดาผูกท่านเหล่านี้ไว้ในฐานะของเป็นบุตรของท่านหมดใช่ไหมพุทธเจ้าตอนสร้างบา ร, รมีถ้าเรามองอย่างนี้เราเห็นอะไรเราก็เห็นว่าเราไม่ควรโกรธเขาแล้วก็ไม่ควรไปสมน้ําหน้าเขาที่เขาทําบาปแต่ควรตั้งกรุณาจิตในฐานะ เขาก็เป็นหนึ่งในบุตรของพระพุทธเจ้าเหมือนเหล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผูกสัตว์ตอนท่านบำเพ็ญบรารมีเนี่ยท่านจะผูกสัตว์ทั้งหมดไว้ในฐานะประดุดดังบุตรของท่านทุกคนและท่านก็ปรารถนาขนสัตว์หรือสัตว์นี่แหละออกไปจากสังสารวัฏแต่ถึงพระพุทธมิภาคาเจ้าจะระดมอย่างไรประมาณของสัตว์ก็ไม่ได้ลดลงคําว่าไม่ลดลงในนี้ก็ยังมีมากอยู่ เราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระศาสดานีว่าพระศาสดาต้องระดมความเพียรอย่างมากลองคิดดูที่กว่าเราจะรู้คําว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลเนี่ยถึงบอกว่าคุณของพระศาสดาเนี่ยมหาศาลไม่รู้จะตอบแทนยังไงสิ่งที่ควรตอบแทนคือว่าอย่ากให้บาปเกิดขึ้นนั่นแหละคือพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจ อ, อันใดที่ตถาคตพึงกระทําแก่เธอ อันนั้นแตถาโคตรธรรมแล้วดูก่อนพิกษจทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างนี้เตือนพระถ้าบอกเราอุบาสกบาสิกาทั้งหลายลนุ่นทานนัุ่นทานกุศลนั่นศีลกุศลนั่นภาวนากุศลให้เร่งรีบระดมเสียระดมความเพียรเพื่อเดินทานศีลภาวนาเสียอย่าได้มานั่งเสียใจในการภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราที่พร่ำสอนแก่เธอทั้งหลายนี่ไงตอนนี้มานั่งเศร้าโศกเสียใจในภายหลังแล้วเห็นหรือยัง เนี่เพราะไม่เชื่อภาษาสดาจึงเป็นแบบนี้แหละถ้าในสังสารวัตรที่ผ่านมาท่านเหล่านั้นเชื่อภาษาสดาเดินตามรอยบาทภาษาสดาท่านจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังจะไม่ต้องมาถูกตัดถูกตอนถูกผ่าดิ้นลน้นหาทรัพย์อย่างทุกวันนี้ภาษาสดาบอกว่านั่นแหละวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ภาษาสดาหวังแก่บริษัทของท่านก็คือว่ารีบรดม มองมองพุทธประสงค์ให้ออกว่าพระศ า, าสดาหวังอะไรในเราพระเจ้าไม่ได้หวังอย่างอื่นไม่ได้หวังทรัพย์จากเราขาให้เราไปบูชาท่านนะแต่หวังให้เราเดินให้ถูกล่องรอยคําสอนแล้วก็ขัดเกลารตนเองให้พ้นจากสังสารวัฏสียพอจะจับประเด็นได้มั้ยนั่นแหละจะได้รู้จักพุทธประสงค์ว่าพระศาสดานั้นจึงเป็นบรมครูเป็นศ า, าสดาเอกของโลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย